ครั้งก็มีข้อบกร้องเลยนะฮะก็ปิดพลาดพอเวลาก็เก็บเสียงเราไว้ข้อปิดพลาดก็ยังปากตบ ด, ดูก็เ <c> ล <oughs> ยมีสิ็จิกลัวเนะ้อ <c> ง <oughs> แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะ <c oughs> ผมก็เชื่อว่าปิดลาดไงท่านคงให้อภัยนะแต่แม่อภัยผมพระเจ้ า, าใหม่ไปท่านบอกไง <c oughs> อ่ผมคงไม่นั่งพูดตรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อหลังกับการหนึ่งแล้วก็เวลาถึงบทหนึ่งที่มีอารมณ์บวกก็ไปเวลาพูดไปพูดมาฮะส่วนใหญ่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมักจะไปโกรธ อ, อะไรบางอย่างใครบางคนแต่ไม่ใช่พวกท่านที่นั่งที่นี่นะฮะก็เลยจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะลุกขึ้นไปเนาะหยิบไมโครโฟนไปก็อย่าตกใจเนาะระหว่างที่เราคุยกันเนี้ย ถ้ามีอะไรจะถามก็ถามเลยครับส่งสัญญาณจะยกมือซ้ายขวาขึ้นลงหน้าหลังได้เช่นนั้นนะครับส่งสัญญาณได้แล้วก็คุยกันนะครับแล้วผมก็จะพูดไปเพราะว่าเราจะใช้ทั้งวันเลยนะก็คุยไปก็จะพักเบรกไปคุยไปก็จะถามไปเป็นช่วงๆและอาจารย์ธวิพงศ์ช่วยส่งซิกแนวด้วยนะว่าช่วงไหนควรจะหยุดเลยแล้วอะไรเงี้ย คือนาฬิกาที่อยู่บนขนังก็ดีอยู่ที่ข้อมือผมเนี่ยเป็นเพียงบอกเวลาผมนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เวลาจะสอนที่ยุดเนี่ยนาฬิกาของผมอยู่ที่พวกท้างนี้แหละน ะ, ะถ้าพวกท่านเริ่มสปปงบก็แสดงว่าได้เวลาค่ะ <laughs> ถ้าพวกท่านเริ่มคุยละทันไปคุยเรื่องอื่นละอ ะ, งงอะอย่างไรตอแล้วรก็รู้ละว่าต้องหยุดแล้วละ่ะนะฮะต้องหยุดเลยทั้งวัน อะไรเงี้ยนี่คือในกลางผมโดยปกติเวลาสอบนะครับ <c oughs> ก็จะสังเกตเรา ท, ที่ที่เป็นผู้เรียนจะแสดงว่าผมเตรียมมาของเราเรื่อง ก, กับพวกเราแล้วละ่ะเนาะก็ต้องไปเตรียมใหม่แล้วก็ว่ากันใหม่ในวันต่อไปแต่ถ้าถ้ายังสนใจอยู่ผมก็ไปดูผมเรื่อยครับโอเคนะตกลงกันนะนี่คือคืออะไรบางอย่างที่เราจะต้องมานั่งอยูด่ด้วยกันเรียนกันเป็นหมดเป็นทั้งวันเลยนีเนี่ยนะถ้าเบื่อก็ไม่เป็นไรหรอกครับผม กบอกาจา์เดือดรักอยากจะไปเดินดูยญ้าเขียวเขียวคุยกันข้าง น, นอกทั้งสั่นข้างนอกก็ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เวลานี้เก้าโมงครึ่งผมคิดว่าผมจะพูดประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณ10โมงครึ่งก็จะพักนะฮะแล้วจะพักกี่นาทีก็ขึ้นอยู่กับเราลหละ ทุกครั้งเวลาในตลาดเขาจะบอกว่าพักสิา้านาทีมันเลยทุกทีเลยเนาะ<ต>ก็ไม่เอาเราจะไม่ทําผิดกดโดยการไปตั้งกดอย่างนั้นแตเรารู้สึกว่าอ้ามาได้เวลาเรียนต่อละก็เข้ามานะครับผมวันนี้พร้อมทั้งวัดเตรียมาพร้อมแล้วนะเอารามาดูในคีดเลยนะครับการอบรมการประกาศนําวิญญาณและเลียนดู โดยสอจอประยูลรีบบ้างตาเส ร, รณรีบรรทัดแรกก็ผิดแล้ว <c oughs> ตำแหน่งสอจอเนี่ยสอจที่เป็นสมณศักดิ์ของพวกเราที่เป็นผู้รับใช้ประเจา้าสวัสดิ์รับ แต่ผมยังไม่ได้ถูกสถาปนาเป็นสอจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากที่เกล็ดไปไหนเขก็ก็ก็ก็ก็อายุป่านนี้แล้วยังไม่เป็นสอจ อ, อีกหนรืออะไรเนงะี้ยมามันเกี่ยวเกี่ยวกับวัยนี้เนี่ยกล้าความเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้ถูกสถาปนาเป็นสอจ อ, อาจจะเนื่องจากภาวะทางจิตใจบางอย่าง ตอนที่เขาเสนอชื่อผมขึ้นไปเพื่อรับการสถาปนาพอมาถึงนาทีสุดท้ายภาวะใจิตใจไม่พร้อมเพ ร, รู้สึกว่าตําแหน่งสอจอเนี่ยมันสูงเกินกว่าเวลานั้นเพราะว่าเรามีอะไรบางอย่างที่รู้สึกเป็นเงื่อนหนังซ่อนอยู่ข้างในเขาเรียกชื่อเราแล้วแต่เราก็ไม่ปกั ก, ปกกดเราปักกดใจอยู่ในห้องประชุมแล้วแต่เราก็ไม่ขึ้นไปหล่ะก็เลยเรู้สึกไม่พร้อมนะตอนนั้นต้องขอไปจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ไม่มีก็คงถ้าพูดกันแบบไทยๆชาตินี้คงหมดโอกาสที่จะใ น, นรัศมนัสัตเป็นสจ อ, อยังเป็นทางการแต่ไม่เป็นทางการทั่วไปก็ก็ใส่นะครับเพราะฉะนั้นทางหลข้ัใจนีดนี่นะอาจารย์ประยู์ลิมะหุตาเส ร, รีทุกอย่างตรงนี้เท่านั้นนะครับต่อไปวันนี้ก็ยีิบแปดกันยานะครับ 9.00 นถึงนนะครับ ยังไงก็ตามว่าตอนนั้นจะทำอะไร4ี่โมงเย็นปุ๊บจบเลยนะจบเลยไม่ว่าพูดงเช้าตัวไหนพอ4ี่โมงเย็นปุ๊บจบเลยนะตระมั <c ười> แล้วถ้ายังไงเห็นอาจารย์ทวิปฟงบอกผมบ่าจ์มาดูถ้าเวลามันไม่พอนะพรุ่งนี้ผมจะมาเทศที่นี่ตอนเช้าและตอนบ่าย แล้วก็วอาจารย์ทวีผมก็ถืว่าก็บอกเป็นไปได้ไหมหลังจากการก้าวเสร็จบ่ายโมงถึงบัดสองโมงครึ่งนมันมีทั้งชั่วโมงกว่าเนี่ยอาจารย์จะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อได้ไหมถ้ายังไม่จบนะครับผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะจบในเนื้อหาที่เตรียมมาแต่สิ่งที่เราจะเรียนกันเนี่ยฮะการประกาศนําวิญญาณและเลี้ยงดูเนี่ยหัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่ใหญ่มากและเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องดำเนินการพัฒนาและการเรียนรู้เนี่ยตลอดชีวิตของเราเลยนะครับเพราะว่ายุคเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปเวลาเราจะคุยกับคุณลุงคุณป้าเราก็จะคุยกันแบบหนึง่ง วันนี้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วคุณรู้ไหมผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ generation Y แล้วนะครับเป็น generation I Y เขาใส่คำว่ า, า I ใน้ข้างหน้า Y ด้วยทำไมเ็าใส่คำว่ า, า I เพราะว่าทุกยันขึ้นต้นด้วย I เช่น iPod iPhone iPad iPhone i อหืด <laughs> <laughs> ไม่มีนะผมแต่เมส์เาบ <laughs> อกว่า generation ้ไปที่ Y Y นะฮะน่าสนใจมากครับ เนหนเล่มหนึู่กสาวซื้อมาให้อ่านแล้วบอกพ่อพ่อแก่แล้วตามเด็กให้ทันหน่อยวันนี้มันเป็นไอไวแล้วนะฮะมันไม่แค่วายเจเนอเรชั่นแล้วใช่ไหมฮะสมัยก่อนถ้าถ้าเราจำไม่ผิดเราเรียบเรียงในยุคที่ก่หลังก็กําหนดไว้ก็คือก่อนหน้านั้นจะเป็นโมเดิร์นใหม่สุดก็คือโมเดิร์นเจเนอเรชั่นแล้วก็จะเป็นโพสต์โมเดิร์นแล้วก็จะเป็นวายเจเนอเรชัตอนนี้เป็นไอไวแล้วดังนั้นในการเป็นพยานยาประกาศและเลี้ยงดูเนี่ย มันจะเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบและวิธิการนะแล้วเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ถึงแม้เราจะอยู่ในวัยไหนเราก็ตามเขาทํา น, นะครับเราตามเขาได้ผมไม่เชื่อสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่เราเคยมีในคําไทยถึงแม้จะเห็นอยู่ก็ยังไม่เชื่อ <c oughs> ก็คือว่าไมื่ก่อนจนัดง่าย นี่ผมก็ไม่เชื่ออันแรกนะเพราะเวลานี้จะจับไม้อ่อนมันยอะแยะ <c oughs> และพวกไม้อ่อนนี่แหละเป็นคนใช้ประโยคนี้หักได้งอไม่ได้ผาโถไม่ได้คนมีอายุนะครับที่พูดประโยคนี้เพราะคนมีอายุรลัวจังเลยอ่ะเ <c oughs> ขางอนิดหน่อยก็ได้ก็ฉะนั้นผมผมคิดว่า เราถ้ามีพระเยสุพลิกและในการที่เราจะดัดชีวิตของคนนะครับไม่ว่าไม้อยู่ในไม่อ่อนหรือไม่แก่ก็ดักได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทของพระองค์ง่ายท้าบันนะแต่เราก็ต้องตามให้ทันนะครับว่าเขามีภาษาอะไรกันเราจะคุยอะไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะสื่อต่อกันนะฮะงั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคงจะจบละในวันเนี้อ่ะเรามาดูนะครับ นำคนสู่พระพริตต์มีชีวิตที่เกิดผล Care for all นี่คือสโลแกนที่วัฒนามืออยู่ในปีนี้ถูกหมแต่ผมก็จะไม่ผิดเราทำความก้าใจจุดประสงค์ของบทเรียนซึ่งก็เป็นจุดล่อมต้นจริงๆของบทเรียนนี้นะครับว่า 1. เพื่อเข้าใจและยอมรับความจริงเกี่ยวกับชีวิตในการเป็นสาวกของคริสเตียนทุกคน และความรับผิดชอบในการเป็นผู้สร้างสาวกของเราทั้งหลายตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูเจ้าเราเข้าใจกันอย่างไรในเรื่องนี้ในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และในการเป็นผู้สร้างสาวกของพระเยซูคริสต์เราเข้าใจกันอย่างไรคุยกันสักนิดนึงก็คงไม่เลวจากจุดผสมประกานที่หนึนี่แ นะเราคิดยังไงเรื่องการเป็นสาวกและการสร้างสาวกเวลาจะคุยกันในต้องเดือนผมพบเจินไม่มีหานี <tuh> ่ครับก <t ry Sure> ็ว่าเหรอครับ like จุศสามารณ์มาดีดีเสียงเขาใจดยังไงฮะการเป็นสาวกกับการสร้างสาวกในพวกเราเนี่ยเราก็แต่ว <ry> ่า ต้งความทาความเข้าใจจรเลยเราเป็นสาวกตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นตั้งแต่วันที่เราจริงไหมเร็วๆตอดีนะสอบไม่ดีถูกชอยตอกจากบทวัฒนาเลยนะธรรมนูญของคิจจากวัฒนาอานุญาตให้ใครเข้ารับพิธีมหาสดิ ผู้ที่รับปฏิสัมภารสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เป็นเกิดียั้งหมดอ่าเป็นสมบูร์มาจากไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่ามาเป็นแขกมาเยี่ยมเราในวอดสัปดาห์นั้นพอดีเรามีพิธีบัพติศพิธีมหาเีลก็สามารถรับได้ถูกไหมเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัวเองเนะนะส่วนท่านเป็นสมาธิของเราเขารับเชื่อแล้วแต่ยังไม่รับปฏิสมารเนี่ยเขาถือว่าเป็นสมาธิสมบูรณ์อย่าง แต่เขาเป็นสาวกของพระเยซูหรือยังเอาอะไรใเอาอะไรใช่ต้องข้าว่าเองแล้วะผอไปต้องช่วยก่อนะครับเราอยากไปอย่าไปเอาเอธรรมนูญของรคระเจกาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสมาชิตสมบูรณ์กับการเป็นสาวกเนี่ยมามามาพนกันนะะ เพราะนั้นเราก็ใจถูกนะครับคนคนหนึ่งมาเป็นสาวกของพระเยซูทันทีที่เขารับเชื่อนะฮะผมหมายถึงตัวเขาจะรู้ว่าเขารับเชื่อจริงหรือรับเชื่อด้วยมีการเมินอยู่เข้างหลังมีผลประโยช น, น์แอบฝงหรือมีอะไรบางอย่างนะครับเอาใจใครบางคนท่านอันเขายังไม่ได้เป็นสาวกแต่ทันทีที่เขารับเชื่อใน บริบทของความจิงใจนะครับเชื่อจริงๆเข้าใจจริงถึงมันก็ยังไม่รับศีลปัพิสมาด้วยนะเขาก็เป็นสาวกแล้วนะฮะอาะรน่นก็เป็นเรื่องหนึ่งและการสร้างสาวกเกิดขึ้นมา่อไรทำความเข้าใจนิดนึงความรอบคอบในการสร้างสาวกเนี่ยเป็นของใครผู้เชื่อใหม่สาวกคนใหม่ มีนั่นที่เขาถมงชอบมีไหมมีมห ม, มเออนะฮะอ่าละนั่นก็เป็นทางวัก่อนทางวัดก่นเรามาอ่านข้อสอง <c oughs> บทเียนนี้จะมีคำตอบให้กับเรานะฮะข้อสองจุดประสงคเพื่อเราจะสามารถผมใช้ภาษาไทยคำนี้อาจจะแรงนิดนึงทะลุทะลวง ฝ่ายวิญญาณในชีวิตส่วนตัวด้านการอธิษฐานเพื่อผู้หลงหายเพื่อสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไปเนื่องจากสมาชิกมีประสบการณ์นในการนำคนมาหาพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนกันและมีบางคนไม่มีความมั่นใจในการแด่งปัข่าประเสริฐกับคนอื่นทั้งต่อคนใกล้ชิดและคนแปลกหน้าอันนี้ผมประเมินเอานะครับ ที่ผมได้รู้จักกับพวกเราที่วัฒนาก็เลยประเมินว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นไงถ้าไม่ถูกต้องขอไปด้วยน ะ, ะดังนั้นทางที่จะคุรจัดรายการพิเศษอาจารย์ดวงวเพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเป็นระยะอาจจะเป็นการจัดรายการเป็นการเสริมเช่นการฟื้นฟูหรือค่ายพิเศษสั้นๆในหนึ่งวัน รวมทั้งนักห ม, มายมาพบปากกันเพื่อหนุนใจกันและกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะในเรื่องของจุดประสงค์ประการที่สองคือทะลุทะลวงชีวิตความจงในการอัดทิฐิเพื่อคนที่ยังไม่เป็นปเีษตรคุยกันเน้นแต่ละข้อมีเรื่องอต้องคุยเพื่อก็ประเมินตเองไม่ต้องยกมือ เราถามตัวเองว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีกี่ท่านครับที่ในชีวิตการอธิษฐานของเราเราอธิษฐานเพื่อใครบางท่านที่ยังไม่ได้เป็นพิเศียังเฉพาะเจาะจงส ม, มอต้ส ม, ม, อ, ส ม, มอปลายตอนนี้กิดท่านเข้ามาเชื่อพระเยซูมีกี่ท่านที่ทำอย่างนั้นและกี่ท่านที่ทําอย่างนั้นท่านทําอย่างนั้นกับกีบก่คน เราไม่ทะลุทลวงวันนี้เราอาธิษฐานเนื้อหาลนคำอธิษฐานของเราเนี่ยต้องยิ่ก็แกครับวันหน้าประชุมอธิษฐานอาธิษฐานเพื่อประเทจชาติอธิษฐานเพื่อคณะรัฐ บ, บาลอาธิษฐานเพื่ออย่างพวกอย่างนี้ เ, เป็นไปหมดแะครับอธิษฐานเพื่อสมาชิกที่ป่วยอธิษฐานเพื่อสมาชิกที่เดือดร้อน ตอนนี้เราก็มีหัวข้ออธิษฐานเยอะเลยนะครับหลายหลายๆจังหวัดที่โดนภัยธรรมชาติน้ําท่วมเนี่ยอธิษฐานเพื่อเขาทิศจักที่พลอยฟ้าพลอยฝนโดนไปด้วยอธิษฐานเพื่อเขาแต่นี้่คิดท่านครับที่อธิษฐานเพื่อเรื่องนี้แล้วประเมินไปเอาละปี2013เนี่ยเราก็ก็เรียกปีทิพยไปดูแล น, นี้นะฮะ เราเราไปไหนครับเราได้อธิษฐานตั้งแต่ต้นไปมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอย่างต่อเนื่องหรือยัและเหลือดีสัตย์ใถ้าเราจะเป็นผู้ประกาศนํำวิญญาณและสร้างก็เป็นสาวกขออนุญาตนะครับความสําเร็จทั้งหมดมาจากพระเจ้าหลักการที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่าง นักกัดและเอามาใช้เป็นการฝึกกระก่ส่วนการเกิดผลเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะตั้ใจมาเชื่อพระเยซูเนี่ยใใมัน ไ, ไ, ไม่ได้มาสิ่งที่เราพูดเท่านั้นนะแต่ต้องพูดถึความมเนื้อหาของข่าประเสริฐอยู่แต่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำจิตอยู่ในใจผู้ฟังการเรียนประวัติศาสตร์พระเยซูยคริสต์ แต่การกราบข่าวประเสริฐให้กับคนหนึ่งฟังนะฮะเนื้อหาเดียวกันแต่การเรียนประวัติศาสตร์พอเรียนเนื้อหาจบเราได้ข้อมูลแต่การกราบข่าวประ เ, ระเสริฐคนก็ยิ่งชีพพอเข้าฟังเสร็จมีการจุดประกายของชีวิตเกิดขึ้นในใจิตใจและจุดนี้มาจากการปฏิหารเป็นเรื่อง อีกมุมหนึ่งซึ่งครูสอนประวัติศาสตร์ศาสนาคิต์ไม่ก็ออ้าใใครก็สามารถสอนประวัติศาสตร์ศาสนาพิสต์ได้แต่เฉพาะสาวกของพระเยสุคริตเท่านั้นที่จะสามารถนำข่าวปเสริและการเกิดผลฝ่ยายจิติญาณให้เกิดขึ้นกับคนฟังได้และทันนี้มาจากกา่าดิ โอเคนั่นก็เป็นจุดหนึงที่เห็นไหมฮะ2อนะสอนะแล้วเราก็ดูว่าชีวิตของเราในที่สุดเราจะพัฒนาอะไรจากนี้ไปยังไม่สายนะครับการนำวิญญาณไม่ใค่เรื่องอยางแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นจึงเราไม่สามารถกับปะกะและนำวิญญาณและเรียนดูเข้ามาเป็นสาวกเพราะเพราะว่าเราทำไม่ถูกและเราได่ททำตามแนวของ ขึ้นเสคริตนะอ่ะเรามาดูข้อ3จุดประสงค์ประการที่3เพื่อสร้างทักษะในการสร้างสาวกนะครับเสริมสร้างทักษะในการสร้างสาวกให้ผู้เรียนเข้าใจความจริงว่าบทเรียนนี้เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะช่วยเหลือพวกท่านให้บรรลุเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของท่านไม่ใช่ฟังดีๆไม่แช่กาลังขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากพวกท่านเพื่อบรรลุปเป้าหมายของคิดจักหรือเป้าหมายของการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าแต่เวลาในคิดจักรนี้สาบรรทัดนี้นะครับหรือสองบรรทัดครึ่งนี้ขีดเช้นใต้เลย <c oughs> บทเรียนนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านที่มาเรียนเข้ามาในห้องนี้วันนี้ บรรลุเป้าหมายตามน้ำประทัยที่พระเจ้าคำนวไว้ในชีวิตของเราทุกคนจุดบอดจุดหนึ่งของคิสจักรของพระนีสุคริสในประเทศไทยก็คือว่า เวลาผู้รั้พระเจ้าจักบทเรียนอย่างนี้ขึ้นมาสมาชิกจะรู้สึกว่าอาจารย์กำลังไม่ไหวแล้วเราต้องการวางร่มมือจากเราต้องการความช่วยเหลือจากเราขอทอดอารมณ์ขึ้นแล้วแหนไม่มใช่นึางการประกาศการนำมินยานและการสร้างสาว เมื่อได้ถูกส่งมวลเอาไว้สำหรับผู้รับใช้พระเจ้าแต่เวลาแต่เป็นความรับผิดชอบของสาวกทุกคนดังนั้นข้อ3นี้สำคัญสำคัญเราต้องระหนักเลยว่าเฮ้ย hey, ขอบคุณไม่ไว่าจะเป็นอาจารย์อะไรก็ตาม ก็ตามตามที่ที่ที่ัาารขึ้นมาถ้าเขาไม่จัดลายสานี้าต้องส่งไหาทีเราไม่มีทักษะในการเรดเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญชาของพระเยซูคตเลยที่ไหนมีม้างเราต้องจัดกางเราต้องเข้าไปอรแต่วันนี้คืจะดัดลายสานี้ขึ้นมาอ้ เราต้องขอบคุณความรู้สึกของเราอย่างนั้นไม่ใช่หอัวอาจารย์ไฟไม่รอดอหอเหตุที่ผมเขียนอันนี้มาก็เพราะว่าผมมีโอกาสแล้วไปพบไปทำอบรมแล้วเขาปสมัามันที่รู้สึกอย่างนั้นแล้วเป็นความรู้สึกที่ผิดอย่างมหาศาลเลยแล้วทำให้ใครเสียผลประโยชน์ตัวเูาเองนะครับ เพราะเขาเขาใจแข็ดังนั้นก็ก็มารับฟังข้อมูลแล้วบอเออก็เหมือนกันเพียงแต่มุมมองที่แตกตา่างวิธีการที่แตกตา่างแต่ก็เหมือนกันแล้วก็กลับกลับไปไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากได้ข้อมูลเพอ่ม no ไม่ใช่พร้อมขอลองอ่านออกเสียงพร้อมกันดีไหมครับสองบรรทัดคึ้งที่เมื่ออ่านไปเมื่อคืนนี้พร้อมกันครับ ให้ผู้เรียนเข้าใจว่าความจริงว่าบทเรียนนี้เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะช่วยเหลือพวกท่านใหนบรรลุเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของพวกท่านไม่ใช่กำลังขอความช่วยเหลือหรือขอความเครื่องมือจากพวกท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคริสตจักรหรือเป้าหมายของการรับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้แต่มเวลาในคริสตจักรนี้อาไหม ด้วยันะโอเควพรฉะนั้นต่อไปครับเนื้อความบอกว่าและเป็นเครื่องมือเสรสร้างตักษาให้ท่านสามารถทำสูตรที่เป็นความรับผิดชอบตามพระมหาบัญชาของปะเยุคผ่านทางการเป็นปะยานและการอธิษฐานเพื่อการนำวิญญาณของผู้หลงหายความันการเลี้ยงดูจิตวิญญาณของผู้หลงหาย ให้กำเกิดใหม่ให้เจริญเติบโตขึ้นสู่การเป็นสาวกขององค์พระเยซูเจ้าอาแนและนี่คือหัวใจเลยที่เรามานั่งกันอยู่ในห้องเองแต่ความว่าเรากำลังหางานเข้าตัวเองเนาะ <c oughs> <c oughs> พูดกันผ่อนๆนิดนึงเนะาะงานเข้าแล้วลนะ แต่งานนี้ยก็จะเข้าตานาแล้วล่ะเราไปกวางไว้ตรงไหนเอามันกลับม า, าเมนจริงๆครับคือๆอเรามีคำพูดว่าไม่ว่ายุ่งมีธุรกิจมีกิจเยอะแยะแต่ขอโทษทั้งที่ที่เรามาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เรากำลังหาเรื่องใส่ตัวคุณรู้บ้าจริง ไม่ว่าคุณจะมีกิจอะไรคุณต้องบวกกิจตัวนี้เข้าไปด้วยรักมหาปัญชาของพระเยซูคริสตคู่มักับการเป็นสาวกคู่กันอยากเป็นสาวกต้องรักผระชอบตรกนี้ถ้าไม่ยอมรักผระชอบตรกนี้คือไม่ใชาไม่อย่างนั้นพระเยซูจะพูดทำไมถ้าพูดใดเอ่อ รักสิ่งโน้นสิ่งนี้มากกว่ารักเราก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นสาวกของเราบางทีใช้คําคําหนึ่งชุดภาษาไทยเราแปลออกมาแล้วเราเราไมไ่เอาความหมายมาเราเอาตรงตัวมาผู้ใดไม่ชังบิดามารดนะาญาติพี่น้องสามีภรรยาเลยแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่คู่ควรจะเป็นสาวกของเราทําไมก็อยู่ชุดคู่ขนาดนี้ก็เพราะว่าทันทีที่เรามองเป็นสาวกของพระองค์เรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ คู่ชวิตเเป็นสาวกดังนั้นหลายอย่างเราต้องจัดใหม่แล้วล่ะครับก่อนเป็นสาวกพระเยซูคริสต์เรามีเวลา24ชั่วโมงแล้วเราทกิจของเราอยาวพอมาเป็นสาวกพระเยซูคริสต์เรามีกิจอี ก, อกตัวหนึนง่งที่ทำ24ชั่วโมงเราต้องเดี่ยแล้วลับบางอย่างอาจจะต้องทิ้งบางอย่างต้องลบางอย่างต้องลดลแน่นอนหลายๆอย่าง ที่คุณคิดว่าให้ผลประโยชน์น้อยสุดก็ทิ้งมันไปจับแล้วจะค่อยๆเข้าใจคุณค่าของนเองโอเคตอนนีน okay. ้เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญมากๆเลยครับอ้าประการที่สเพื่อเป็นแรงจูงใจในการุทิตตนเองเป็นผู้สร้างสาวกของขิจักรที่คงเส้นคงวาต่อไปเพาะผทำไมผมต้องใช้คำว่าสร้างสาวกของขิจับ พราะเมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นสาวกแล้วเขาควรจะมีอ่ามีบ้านหรือมีสถาบันหรือมีสถานที่ที่จะรองรับนะฮะเพราะนี่เป็นหลักการทัวๆไปของของของของสังคมนะฮะถ้าเขาไม่มีสถานที่ที่รองรับในที่สุดมันก็จะสเปกสะปะและคิดจัด ก, ก็คืออะไรมบางอย่างที่พระเยซูกาหนดไว้สาหรับรองรับคนที่เรานําเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูรินั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราอยาๆๆๆๆๆ่าไปกำหนดว่าเมื่อเขาย้าบ้านไปอยู่โน้นนะครับไปอยู่เชียงรายเขาก็ยังจะต้องมา น, อน้องชะการตำรวจไม่ใช่ครับก็ดูว่ามีคิดจับที่เชียงรายที่ใช่สําหรับเขาอย่างไรก็แนะนําำไปแต่ว่าต้องมีคิดจับวันนี้เราอยู่ในคิดจับพัฒนานครับก็เป็นของเรานะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้คือท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกทุกระดับของคิดจับตรงนี้ เสน้ท่านตั้งหลายที่เป็นสมาชิกทุกระดับของขิ้นจต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนกันก่อนว่าบทเรียนนี้ไม่ใช่ความรู้อีกแค่หนหนึ่งของแผนขิดเสยนศึกษาแต่เป็นบทเรียนที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเราให้สามารถทำในสิ่งที่คิดเสยนทุกคนพึงจะทำตา ม, ตามพระมหาบรญชาของปี่กิจดังนั้นดังนั้นขิดเส้นต้ข้อความนี้ไป การอุทิตตนเพื่อเป็นผู้สร้างสาวกจึงเป็นบทสรุปของบทเตียนนี้อันนี้เป็นความคาดหังของผู้สอนเครบขออนุญาตนะับการสร้างสาวกเหมือนการเรียนรูปเลยเวลาพลอยรูกง บ, บางคนนึง เราเลี้ยงอย่างไรตอนที่เขาอายุสัปดาห์แ h กเรเป็นแม่เรียงอย่างไรเดือนแรกเรเลียงอย่างไ6เดือนแรกเราเลียงอย่เดื อ, อนแร ก, รกรป้อนนอย่างเดียวเดือนที่หก็ยังไม่แน่ใจจะให้อะไรกินสักอย่างมัจะไหวไหมไม่ได้วันทีเด็กมันเที่ยววะเดือนเห็นเที่ยวเที่ยว มีแตงเงยมารูเที่ยวอะไร ใ, ใครใครที่เป็ น, น้ม่ยงังยังจาได้ไมั้ยทำมจำรถตุลรถมันเยอะมากมีเงยกรดับกดับราไม่ไปปอนใครแดงเลอถามคุณหมอเพิ่งบางทีคุณหมอแนะนว่าให้หกเดือนแต่ก่อนค่ฮะเวลาเราเรียกดูลูกฝาเดียร์เป็นอย่างนั้นง น, นั้นต้องอุ้มที่ต ถ้าเราคุณคิดตนมากต น, นี้ในวันเวลาที่ผ่านมาคามอยากพูดตรงๆกนะันว่าผมเชื่อว่าพิจารเราจะมีสาวกที่เป็นสาวกที่พระเจ้าใช่มากกว่าที่เราอยในเวลานี้ผมเชื่อว่างน้อยอีกเงิท่าตัวถ้าถสามาธิความพิจารณ์นี้ได้กระหนความจริงเลย ว, วันนี้ มันเป็นเรื่องของลรกแต่ละคนนะนั่นหมาว่าบทเรียนนี้นีคือเจตนาในฝันอยู่ในบทเรียนนี้เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามพร ะ, ระวิชาของรชิมนและปลุกจิตตนยังไงคุณมี24ชั่วโมงถ้าจะปุกจิตตนเพื่อการนี้คุณต้องยกเหลายหลายอย่างนะโอเค เราลองดูต่อนิดนึงนะครับในวงเล็บอย่ามานั่งเรียนเพื่อฟังคำสอนเท่านั้นแล้วผมยกตัวอย่างยางยงเท่านั้นนะว่าคนที่ขี่จักรยานเป็นนั้นไม่ได้เกิดจากกันเข้ามานั่งฟังคำสอนในห้องเท่านั้น <c oughs> ใช่เราขี่จักรยาน ไ, ไหมผมเวลาไปจมได้ตองผมฝึกขี่จักรยานฟังอย่างนี้นะคุ คืนขึ้นไปนั่แล้วตอนตรงๆนยะกตำแงนั้นรเคยฝึกรรรตัวนึกแข็เงินจับแห่ง้นั่งตั้เลยยิ่งนั่ย้อนไปยิ่งหลงแล้วก็เขาก็จะตอนแรกเขาก็จงอยู่ข้างๆเราก็จับแห่งเราขั้นหนึ่งจับเบาอ่านอ่านที่เรานั่นนะฮะแล้วก็ เ, ววเขาก็ไปกัเราช้าๆแล้วนนัเขาก็จะจับข้างหลังเราแล้วให้เราค่อยๆก่อนเราเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มผ่อนหนะ ก็ไปไปไปไปก็ขากขี่ไปก็มองเปมือก็จะอุ้ปภาษาอะไรก็ไปจนกระทั่งเขาปล่อยมือเราไม่รู้ตัวแล้วเขาก็บอกว่ายุ่นสุดยอดเราได้ยินเสียงก็อยู่ด้นห่างอะไรเกิดขึ้นทำไมล้มเลยจนความมั่นใจเกิดขึ้นไม่นจะเป็น่างมานั่นหรือไง นะครับแปลความว่าอะไร น, นี่เป็นพักปฏิบัติครับการนั บ, บิญญาณการประกาศการสร้างสาวกเป็นพักปฏิบัตินะฮะจริงๆเราเรียนรู้เยอะแล้วนขอให้บทเรียนนี้เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะโอเคดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่เขาอบรมทุกท่านควรจะทำอย่างยิ้งคืออ่านครับสองสามสี่ข้อเนี้ยเ <c oughs> นื่งเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยพระมภีเป็นประจำทุกวัน และบันทึกการอ่านถูกต้องสวางแผนการสร้างความสมัมพันธ์กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างน้อยาาจามคาจะทำเนื้อหาในการเป็นพยางหรือคำาัวยางส่วนตัว 4. ลงมือปฏิบัติคือไปเป็นพยางกับ3คนนั้นอาเอาละผมเป็นครูเหมือนกันเนาะอาจารย์พันม์นะ ต้องมีกันบ้านเนาะ <c oughs> ต้องมีกันบ้านต่ อ, นน <c oughs> <c oughs> อไปครับเรากำลัง ส, ร, สร้างสาวกของใคร <c oughs> ของพระเดชิกุล <P> <P> เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจำเป็ ขออนุญาตนอกบริบี้เนี่ยปัญหาของคริสเตียนทุกวันนี้รู้ว่าคริสเตียนมีการเรียทามเกรู้ว่าคริสเตียนมีศีลธรรมของคริสเตียนเป็นไง โลกว่าพิเศจะต้องมีสามะทีทำกับพี่น้องี่เศษใดๆอย่าไว้รู้แล้เนี่คือสิ่งสำคัญและอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญคือรู้ว่าพิเศษต้องทำคุณธรรมอย่างไรคือทำที่เป็นคุณนะครับเช่นไปช่วยเหลือคนน่นนีู้กแม้แต่การประกาศการนำายาก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแต่พิเศษไม่รู้จากกระจา และไม่คุณเคยกับประการที่เป็นต้นเหตุของสิงนทรภิษณ์มันใช้เวลาส่วนตัวค่อนขางหนสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดเมรื่องทักษะดีงยวยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเก่งแค่ไหนก็ตามในสาส่ 3, 4, 4, สิ่งที่ผมพูดไปนะไม่มีประโยเลยนะครับถ้าเราไม่ไมคุ้นเคยกัไปยาวมันงงการใช้เวลากับพระองค์ส่วนตัวในแต่ละวัน เป็นเรื่องสำคและพระเจ้าของเราขออนุญาตเทศนาตรงนี้ น, นิ่พระเจ้าของเราฟังดีๆนะครับเราอยู่พงกงพระเชิญอยู่พงรอรอยู่พงอยาจะจคุยกับเราทุกวันผมขอบขอบคุณพระเจ้าของผมีมีศาสนาครับก็เลมาเาชื่อพระย แต่ผมมันอาหารเช้าก็มีสูโกรพอก้ก้าวไม่ได้ศาสดาเขาเป็นใครบางท่านที่เราเขาปักใจโบยสปรีสุขิจิบอกว่าให้เราทัางหลายทไหมฮะในยอที่สิเข้าสอยู่ในเพลิงและไข่ทำาของพลิงความดีในเราถ้าอยากรู้ข้อควมีก็คือ จอมไที่สิข้อเจจบไปแล้วกันนะฮะแล้วแล้วเราไปอ่านเฉยอันนี้อยู่นอกบริบทนิดนึงแต่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปเป็นผู้ประกาศนำบุญญาและการสร้างสาวเพราะในการประกาศนำบุญญาและการสร้างสาวกพรายอนะครับมันจะเกี่ยวข้องงานนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับสติปัญญายเยอะมากเพรคนที่เราไปเจอนั้นหลายหลายถึงแม้ใครก็ตามที่นั่งอยู่ที่นี่ สามีตัวเองยังไม่ได้เป็นคริสเตียนภรรยาตัวเองยังไม่ได้เชื่อพระเยซูเขาก็มาบ่นกัเราดิลูกของเราบางคนเขาไม่เอาที่นักังก็ยังไม่เอาใจยังไม่เชื่อพระเยซูเขายังมีความหลากหลายที่เราต้องใช้สติอยดังนั้นการใช้เวลากับพระเจ้าินเป็นวุฒิสาคัญอย่างยิ่งเลยนะกลับมานถอะฮะกลับมาให้เวลากับพระเจ้าไปสุดตัวจัดเวลากับพระเจ้า กินบงคนบอกว่าเราชักวโง2อชั <th> ่วโมงความดูมนก็เยอะนะครับเพราะเรามียิบส่ชั่วโมงเอาไปแล้วทั้งสองชั่วโมงแต่ข่าว่ารินยแล้วไม่เยอะครับเอเริอู่กระเจ้าิอเดจนะกันบ้านส่ข้อนี้แล้วจะมาคุยกันอีกทีนึงเลงแต่ก็ครับที่ประชอีคถามไมครับมาถึงตรงนี้หมดหน้าอย่างละ เห็นไหมมีใครจะเสนออะไรมีคำถามไหมไม่ต้องเกลงนใจหมอหรือผมนั่งบันนี้เลยเกลนใจอ๋ออ้าวเรามาดูสิ่งที่รองรับเรื่องนี้หนึ่งหัวข้อประจำปีนี้ของทิกจัดนำคนมาสู่ประเทศมีชีวิตที่เกิดผล care for all สุดยอด ผมเชื่อวัวข้อแต่ละปีเนี่ยอันนี้ผมเชื่อนะครับพระเจ้าทรงนำไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก่านการประชุมยังไงก็ตามแต่บรรดาคนที่ร่วมประชุมรู้วแต่มุ่งมั่นไปสู่จิตยาเมื่อสรุปออกมาว่าแค่ฟ oh o yeah. ร์อ้เนี่ยฝรั่งก็นหน่อยเนาะคนจีนผู้ภาษาฝรั่งแคลฟอร์ ไม่รู้นะผมทึกงทักเอาเองผมก็ไม่ได้ถามการตุ้ยพงไม่ถมไมถามใครว่าแปลว่าอะไรแต่เมื่อผมบอกแ o r a ฟ l แปลว่าอ l ก็คือคโอโอลอโอฟทุกคนคนี่การคนตามบอดคนง่อยคนเป็นโรคเอดคนเกเรคนไม่เรื่องแต่ภาษาอยากๆยาทั่วไปก็คนเฮงเวยกับคนดีคนสุภาพคนอ่อนโยคนเก่งคนมีความรู้มีการศึกษาเราต้องแ r All ไม่เลือกที่รักบางที่ชัอะไรสิ่งนี้จะมาลองลรับบทเรียนนี้เพราะเมื่อเรา เ, เรียนรู้เรื่องการประกาศและาาลลลน้ำมือ ย, ยอเเอาเราถามว่าอะไรมาลองรับเนี่ยหัวข้อจักฤติแท้ฟอเจ็ครุ่งเรียนวัฒนาของเราเจ็คนักเรยเยอแยกไปห แต่ตุ้ยไลมาจนตั้ไวรื่สร้างปัญหาเยอะแยะยังไม่ว่าพี่โซเล่าเลืองแกแกะมีกี่ตัวกี่ตัวครับตัวแรกที่พี่โซเล่ามีกี่ตัวกี่ตัวครับแกทั้งหมดเนี่ยคนเล่นแกะคนแรกมีกี่ตัวรอให้ตัวหายไปกี่ตัว ตัวเดียวตัวเดียวมองไปอมีกันเก้าี่เ้าตัวตัวเดียวไหนไปแกลนการอะไรกันฮะช่างสบยฮะ่งนั้นรูบ้บ้างไมาา่ใชา่แล้วเราอ่านตรงนี้ขออนุญาต ก, กับเอสิ่งที่มาหลองวัาตรงนี้ต้องต้องทำความเข้าใจจริงๆในพระธรรม ลูกาแล้วกันนะครับบทที่15ใช่มั้ย <c oughs> เรามาดูตรงนี้นะครับบทที่15ข้อที่4 5 6ห เป็นพระกมีที่น่าสนใจมากๆแค่พอออกเพราะวัานะตั้งแต่ก็สิในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไปอย่าไม่ละ99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งนาและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ เมื่อพบแล้วเขาก็ยกขึ้นใส่บาบแบกมาด้วยความเปลี่ปลี่ยนเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันพูดกับเขาว่าจงเปลี่ยนปรี่ยนกับข้าพเจ้าเถิดพอข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งายว่าแค่นั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์ลอกคนบาปคนเดียวที่ มากกว่าเพราะคนชอบทำก้าวสิบก้าคนที่ไม่ต้องการการตัดใจผมจะชี้คุณเห็นตรงนี้เอยนะแกะเนี่ยเป็นอะไรทรัพย์สินทรัพย์สินของคนคนนี้ที่เป็ น, จนเจ้าของคนคนนทรัพย์สินคือเจ้าของแกะหายไปอย่างจด ส่วนคนที่พระเยซูพูดถึงในค้อเก่เป็นฉายาของพระเจ้าเมื่อแกตัวหนึ่งหลงไปกลับบ้านมีเจ้าของทรัพยิไปเจอความดีดเกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่ถ้าคนหนึ่งกลับใจความดีเกิดขึ้นทั้งสวรรค์ว่าเห็นความแตกต่างไหม สิ่งที่เป็นบทเรียนก็คือถึงไม่แกะตัวเดียวที่หายไปความทวงไยแค่พอออกปล่อยให้ไม่แต่ตัวเดียวลุบไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้คนคนนี้ปกะิัมไม่ได้บอกรายละเอียดแต่แน่นอนจะแกะหายไปจักทุ่งนะครับ มันควาน้างมันไม่รู้อยู่ไหนถ้าหากก็มองถ้าถูกมันขว้างแล้วมันเป็นทีฬะก็คงเห็นก็ไม่เลี่ยกว่าหายการมองไม่เห็นหนับไปนไับมามี สวรรค์เลียนหาก็เหมือนกันจะบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งกลับใจใหม่คนบาสนะครับจุกฉวรก็จะเปลี่ยนแปลงความว่าเมื่อเอาเองกับคนคนหนึ่งที่จะนําเขามาสูกก่การกับใจใหม่จริงในที่สุดเขาจะใจใหม่จนเจออาหารทีไม่ได้อยู่ที่เขา น่าจะหลงไปไหนเราพาเข้ามาในเส้นทางไหนที่เราในใช้สติปัยาเข้าไม่ทำได้เพื่อจะไปถึงจุดที่แกกาลังเจออันตาแลวขอบคุณพระเจ้าทั้งแกก็ดีเหรียญก็ดีและไม่แต่บุน้อยก็ดีแตบุญ้อยไเปไรหรบน้อป้าองนนั้นแกหลงหมายถึงคนบาปเหรียหายมายถึงคนบา้เรา คนนะครับไปต่างเขาแล้วก็สร้างความน่ารัคารโออะไรก็ไม่รู้ในที่สุดไอ้แพร่เนี่ยไอ้ความห่วใจเขานกะ็ถูกความน่ารังหารก็เลยทำลายไปอย่างที่ทั้งตัวเขาู้อะอย่างทีหทั้งตัวเขาไปเยี่ยมกไมมาแล้มโอ้ยน่ารัคารแพร่าจะไม่ผมจะไั่จะสื่ออะไรคนหลาก และเขาไม่รู้ความจริงของผู้หญิงสุขเพจริงๆมาร้างสา ม, สามติดประตูใจเขาครับเราต้องอธิษฐานเพื่อเขาด้วยใจที่ห่วงใจรู้เรียนรู้จากเขาจะพูดอะไรกับเขาในที่สุดให้เขาเห็นจริงๆว่าชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นไดนจริงๆถ้เขาไม่มาพบผู้หญิงสุขเพศด้วความหวงใจด้วยความรัก ด, ด้วยแรงอธิษฐาน ในึ nên cái ôn, cái òng, phải ่งที nó, ่สุดทุกคนที่เราไปติดต่อด้วยกเหมือนกับแกตัวนั้นกับเจ้าของแกจนเจอจเจอาที่ันนีมีสองจำนวนจนึงคือแล้วเขาจะเจอแน่นอนแล้วเขาจะเจอแต่เขาจะเจอก็ต่อเมื่อเขาลงทุนจเจอเหมือนกันแล้วเราจะเจอ แต่เราสมัยต้นสมนัยปลายจะจบไหนี่คือปัญหาที่ในที่สุดคนจำนวนไม่นม้นนอยไม่ได้มาพกับอาจารย์เพราะเราไปไม่ถึงฆ่าหมอคนบาปคุณคาดาวังอะไรนะพวกเราฆ่าฝังอะไรกับคนบาป ค, คุณจ้ไปช่วยกับเชื่ออนะ้รือ คุณล่าพระเยสูเขาถามแมเอาที่ผมไปพูดเล่าพระเยซูถามเขาโทษคนพ่อแม่ก็ไปคิดเช่นปแบบ่าก่อนาหน้ามันไม่เป็นอยู่นี่เป็นแล้วผมพูดจนพ่อแม่ผมเข้าใจแล้วไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่ง่านะครับไม่ได้ถูกลูกหลอกต้องยืนยันเขาเห็น ไ, ไหมเราไม่เชดอารอนะ้าจเจ อ, เอรัน้าหมาย พระเจ้าช่วยเรามั่นใจเรื่องนี้จะรักเขาพระเจ้าลักเาโอ้โหเรื่ยงี้ใครก็ตามที่นั่นอยี่ยังไม่เคยสร้างสาวกสร้างใครเป็นสาวกจริงๆชัดเจนชัดคนเลวันนี้จะพวันี้ไปกับเนื้อหาเรื่องอุปมาณนี้ขอให้พิมพ์กันกับเราว่าเราจะเป็นผู้สร้างสาวกได้ไงจนจ กับกรรมนิตนะฮะก็คือหัวข้อนะฮะข้อสโครงสร้างการเลียยดูในกลุ่มแพลหรือกลุ่มเซล์ตามรูปแบบตามความเหมาะรูปแบบตามความเหมาะสมเช่น1คนดูแล3ามคนและคนที่ดูแล3คนนี้จะต้องเป็นหนึ่งใน3ที่ได้รับการดูแลจากหลายบางคน และสามคนที่ได้รับการดูแลนี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้แต่ละคนสามารถที่จะเป็นผู้ดูแลคนอื่นตามโครงสร้างหนึ่งดูแลสามต่อต่อไปเป็นต้นในวูแล็บคือตัวอย่างผมไม่ทราบครับคุยกันนิดนึยเพืนในกิกับพัฒนาเรามีกลุ่มเซลลเรามีเซลล์น ะ, ะแล้วการดูแลกลุ่มเซลเป็นยังไงมีหัวหน้าเซลล์ถูกไหมมีผู้ช่วยแล้วอย่างไรนะ เซลลจะตัดกี่คนกี่คนนะไม่จำกัดว้าผมไม่อยากบอกว่าไม่ได้แต่อยากจะบอกนะก็คือไม่ได้เมันใหญ่ไปมันไม่ได้มันไม่ได้เซลล์แล้วมันเป็นอะไรกัน้าคือเห็นไม ในในในคือคือว่าเซลซีนะัม่ใชเอสนซเอสมัไอซเซลไอมันต้องเป็นเซลนะแล้วลักษณะของเซลมันจะถูกจากัดถูกไหาถ้าเราอุตส่าห์าว่าเซลทำไมกลับไปนั่งคุยกันใหม่บริหารเซลไว้ดีเออเซลต้องมีาต้องต้องกาหนดฮะว่าเซลหนึ่งเรยจะจำกัดได้กี่คน ว้าวววว้ไหมกลุ่มแค่กลุ่มเซลล์กลุ่มแค่นี่แหละนะแล้วก็เราจะใช้ชื่ออะไรก็เอานะฮะกลุ่มย่อยกมอะไรก็แล้วแต่มันจะมีมีบ่ทานคัดกร้านไปนิดนมันจะไม่ไม่ไม่สุขภาพไม่ดีไม่ h e a l t h นะใ่ไหครับว่าหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าเซลล์เนี่ยหมายความว่าอะไรอือยังไม่ได้มีการอธิบายอย่างไรอืม นั่นคือตรงนี้ผมก็ขอไครเพราะผมก็เขียนแล้วก็ผมก็ได้ข่าวว่าที่นี่มีเซลผมก็เลยเขียนออกมาว่านี่คือสิ่งที่จะรองรับเราเพราะเมื่อใครคนหนึ่งมาเชื่อพระยิ่งชุนเนี่ยครท่านพระท่านมาโบสเนี่ยรองรับไม่ได้ครับเราก็เข่าเหงาเข่าเหงาแน่นอนเพราะมาถึงนักการมาถึงพิธีทุกอย่างจะไม่เปไปตามระเบียบตรงจบปั๊บก็มานั่งทานข้าวอ่ะห้องนี้เคยเป็นที่กินข้าวนี้กินกันห้องไหนแล้ววะชาวบ้านท่านก็ูโอเคโล่งขึ้นแล้วก็มาก็ ไม่ว่าแต่ถ้าอยู่ในเซลเห็นไหมลองรับเขาจะรู้สึกปกปูนในเชความคุ้นเคยก็จะเร็วขึ้นเอาหลังนั้นไปคุยกันนะไปคุยกันในในหมู่พวกเราว่าเซลล์คืออะไรแล้วขอแนะนำนิดนึงละไปตบบ้านว่าเซลลต้องมีจำกัดขนาดนะครับต้องมีขนาดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะจัยยกตัวอย่างถ้าเซลลหนึ่งเราจากัดว่า1เซลล์ไม่ควรเกิน ส0หรือส2บสองคน้าเซลของคุณมีสิบคนแล้วนะครับและแนวโน้มวันจะเพิ่มมาอีก4คนแนวโน้มมาและอีกสี่คนคุณแตกเป็นสองเซลก็คือตอนนี้คุณมีสิบคนแนวโน้มจะมีอีกสี่คนคุณแตกเป็นสองเซลคือเซลราน้าคน แล้ว4คนนั้นจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่เซลล์นั้นสคนหรือจะแบ่งเป็นสองสองหรือเป็นหนึ่งสามก็แล้วแต่ภูมิศาสต์ของผู้ที่จะเข้ามาในกรุงเทพเราจะต้องจัดลุปแบบของเซลล์ตามภูมิศาสต์เพราะว่าการเข้ามาคมเรียงมันโหสุดๆนะแม้พรามันจะมีกระบุ เกี่ยวข้อกอับเรื่ง อ, ง, อ, ข อ, ง, องของอสิ่งแวดล้อมเรื่องของลักษณะสังคมเนไมเวลาจัดเซลเราตำราเนี่ยไม่ได้ช่วยหรอกนะเหตุนั้นอ่ะไปคุยกันแล้วขอให้เซลมาลองรับาการสร้างระบบตรงนี้ขรา <c oughs> นะจะจะจะผมผ ม, ผมได้นำนะครับว่าจะป็นไปนี่นให้ดีก็คงไม่ควรเกินไม่ควรเกิน12คน ทีนี้โอ้พานอกเรื่องนี้เลยจะต้องชำงั้นี้จะกลับแล้วล เ, รเราทำไงหมายความว่าขณาดที่เรามีเซลล์ถือว่เซลล์เราเล้มต้นทด้สี่คนนะสี่คนครับทุกทุกครั้งที่มีการล้มต้นเซลล์จะต้องยังน้อยมีสองคนอยู่ที่นั้นคนที่หนึ่งก็คือหัวหน้าเซลล์คนที่สองก็คือผู้ช่วยหัวหน้าเซลล์ และผู้ชวยหัวหน้าเซลนี้กระบวนการจะในในเซื่อของเซลกระบวนการจค่อยๆพัฒนาเอาละเขาจะเป็นหัวหน้าเซลคนต่อไปทันทีที่เซล์มี8คนผู้ช่วยหัวหน้าเซล์จะต้อง <c oughs> คิดถึงผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยเขาเพราะแผนการการแตกออกเป็น2เซลล์มันจบแล้วมันผู้ช่วยหัวหน้าเซลจะต้องมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง และหัวหน้านเซลล์นี้จะต้องเลือกคนนี่มาเป็นผู้ช่ ว, วพอขึ้นมาถึงแ่าผู้ชยหน้าเซลล์ก็จะเป็นเหัวหน้านเซลล์และก็มีผู้ช่วยข อ, องก็อีกคนละเลยแล้วหัวหน้านเซลล์ยามีผู้ช่วยอีกคนขึ้นมาและเาต้องมีา่นาผู้ช่วยใหม่ให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้านเซลล์คนต่อไปเอาลปฮะเ ห, ห, ห, หลือแล้วอีก่คนที่จะเข้ามาจะ เข้ามาอยู่ในหน่อยเขาว่าันไปพอมาถึงระดับหกคนปั๊บต้องเล่นนะให้ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง่านเล็กคนที่จะมาพูดช่วยเขานี่คือกระบวนการแบ่เซลล์นี่คือความหมายของว่า C E L L เซลล์แล้วคนใหม่ที่เข้ามาก็จะได้รับการพัฒนาในเซลล์ต้องไปถามนะฮะชุดประจุของเซลล์คือ เซลเอเพื่อท่านทุกๆเซลล์ูกแลวจะก่อเปิดการพัฒนาทางต่างกายแปลความว่าเซลแข็แก่จัเจริญาเยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราทาเซลเก็เออมีเซลล์ุ่มแคุ่มคลายปุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทำมไม่ไม่ได้ชัดเจนในตรงนี้เนี่ยครับในสุดเวลาเซลต กิจารก็ยังรูปเงินได้ไม่เป็นไรแล้วเรามีเซลกระหวางใชรเงินได้ทำไมเราไม่ทุกเทอะไรก็ตามที่ทาให้พิจารรงมาทุ่เเรื่องเซลแต่เรื่องเซลเนี่ยเป็นระบนการที่เกิดขึ้นต้แต่ยุคแรกๆในพระธรรมกิจการว่าอะไรนะแล้วเขาเป็นงเ่ยเขาไม่ได้ใช้ว่าทําให้เซลแต่ว่านักวิชาการทั้งหลายที่เป็นฝ่ายิตญญาณพยายามกระเสริฐชมกระแสก็บรเชี่เห็นว่าเออ ในไหนเรในเมื่อเราพูดถึงเราทุกอยางเป็นเอาไว้ว่าในร่างายแล้วก็องค์ก็เปรียบเทียบอะไรกันไปเราก็เลยทำมาเซลมาใช้ในภาคเปคโนโลยีสารวมเข้ามาคํานี้เข้ามาในคิดจากนี้นเมื่อไรแต่ผมเห็นด้วยกับเรื่องการทำเซลเพราะตรงนี้ให้เป็นที่รองรับกันหนึ่งนะครับผมก็คิดใจนิดนิดเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการทําเซลลองไปคุยกันลรงไปคุยกนอย่าตนะเลาะกันคุยกันด้วยกัน ขอขอพระเจ้าเ่ราแล้ว้าเซลเราโอเคไหนๆเรามีเซลแล้วแล้วเซลจะมารองรับเรื่อนี้ลุมแครหรือคุมคลายหรือคุม อ, อะไรกันเนี่ยคุมย่อยเนยี่ยจะมารองรับเรน่นี้แล้วมันจะทำให้กระบวนการเนี่ยดเนินไปโดยธรรมชาตินะครับมาดูข้อสคิดจากภูณจักสู่ที่สอดจุดประสงค์ทั้ง4่ประการที่กล่าวมาข้างตน้น โดยมีคู่มือหรือบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากบทเรียนนี้เอาละ่ะแล้วตอนหลังจากสีโมงเย็นเราก็มาคุยกยันตรงนี้นะแล้วทั้งก็ต้องไปคุยกันต่อว่าเออแล้วจะเอายังไงต่อไปนะเห็นอัดวีดีโอไว้อัดเสียไว้แล้วก็เ้าไม่แน่ใจก็ไปดูซ้ําถ้าไม่แน่ใจโทรสอบถามได้นะครับว่าเป็นยังไง บ, บทเรียนนี้เป็นเป็นแนวนะครเป็นแนวสําหรับเราเพราะว่า อะไรบางอย่างที man, ่กำลังก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีการเปล okay. <c oughs> <อ>ี่ยนแปลงตลอดโอเคในวงเล็ระยะแรกต้องมีความยึดหยุนสูงเพื่อการปรับปรุงทั้งหลักสูตรและบทเรียนให้เหมาะสมกับพฤตกัรเพราะอย่าอย่ไปเจาะตรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะเราเราต้องยึดหยุนะยึดตลอดเวลาเพราะว่างานงานงนด้านการสร้างสาวกเนี่ยฟังดีๆนะ งานด้านการสร้างสังคมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับคนเพราะฉะนั้นเราต้องยืดหยุ่นเพราะคนที่ไปก้าสร้าง ม, มาในโลกนี้แต่ละคนมีเอกลักไม่เหมือนกันสักคนเดียวแม้จะเป็นคู่แฝดก็เถอะันการยืดหยุก็คือ ดังนั้นงานด้านการสร้างสาวกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับไม่ใช่นโยบายไม่ใช่ธรรมนูญไม่ได้หลักความเือแต่เป็นชุรจิเกี่ยวกับไปดูการเมื่อไหวของว่าเยซูเป็เยซูทำชูรจิตกับคนตลอดเวลาเมื่อคนเหล่านั้นไปหลั ถึงเวลาข้ามทุกข์กับบ้านหน่อยพระเยซูติดต่อกับพระเ้าปฎิญาณอาธิษฐานกลางคืนบางทาง่านพรอง์ก็อธิษานถึงชว่างแต่พรสว่างคนออกมาพุ่งพลาดอยู่ในชุมชนพระเยซูเข้าไปในชุมชนเพื่อทำธุรกิจกับคนและคนที่พระเยซูทำธุรกิจด้วยก็ยมีคนตาบอดคนลรคเลือคน คนเก็ประษคนใช้สังคมรวทีเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าการทาธุรกิจกับคนของพระเยซูเทพพระเยซูขาดุไมาดทนมีลูกน้อย่งคนพระเยซูกไปทาธุรกิจัะเข้าด้วยอะเรอยังไงวรอาเราลงทุน หายโลกกลับมาขอบคุณหนึ่งคนที่สตาร์าเลื่อยคาเ่หรืรอรเข้าอใจนะได้ไหมในนั้นของประชาเจริญแอย่าคิดแกได้กำไรอะไรจากการเป็นผู้สร้างสามโห้เรายังคงยึดหลักการหวานเพื่อหวังผลแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นของคนที่เราว่าเมื่อที่เกิดและสรุปผลก็คือเป็นการก่อเกิดผลที่แท่จให้กับแผนดินของพระเจ้าทนทั้งหลายผมอยากจะพูดในจำนวนของนักแท้ที่เป็นอย่างตว่านักแท้มักจะพูดบอกว่าเราอยู่เพื่อคิดจับแต่คิดจับอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเราต้อง ดำเนินตามกัระเบียบธรรมนูขอเกให้่งครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเ้ื่อที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าธรรมนูนตัวไหนหรือข้อความไหนมันล้าสมัยแล้วมันเป็นอุประจักนั่งคุยกันอย่าไปหานรับพลาในเขาเนี่สเปช้างนะารระดับจากแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับขออนุญาตไม่มีความจาเป็นที่จะมานั่งนั่งนันนิทาธรรมนูนรับหลังแล้วก็ผูดกับ เออพูดดียังคัดชันูก็มันเคยดีก็จริงจริงมันเคยดีมันก็ามีการเปลี่ยนแปลงขาอมูลอะไรตัวไหก็คุยกันตัวท่านเข้าใจกันชัดเจนเราคิดจักแต่คิดจักอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคิดจักไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองวิสุทธตังคิดจักเพื่อที่จะให้คิดจับเป็นเครื่องมือของพวกในการสร้างหรือตั้งแผ่นดินของพระเจ้านะฮะโอเควันตรงนี้ขอพระเจ้าื่วเราในการที่จะ มีท่าทีเหล่านี้และนี่คือสิ่งที่จะมารองรับในการสร้างสาวก น, นะครับและก็สิ่งผมเขีนว่าอื่นๆ <c oughs> ในวงเล็กข้งทั้งหมดนี้ควรจะพร้อมเพื่อรองรับผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนของทิจากทิศตามดังกล่าวแต่มมนจะเป็นต้นสมมุติแบบอาจจะเป็นเพียงคร่าวๆก็ยังได้แล้วเคลื่อนไปปรับปงไปแต่ต้องมีผู้รับผิดชอบควรจะเป็นผิดแปลความว่า ท่าบวันนี้รายการวันนี้ไม่ทราบใครกัดนะอาจา ร, รย์ทวิโกยึดใครกัดที่เป็นผู้รับใช้พระเจา้าเป็นเวลาอย่างน้อยนะครับต้องรับผิดชอบคนที่เกิดขึ้นประเมินยังไงแล้วเป็นยังไงตลกลงไหมจะทํำไหมอ่ะว่าวไปแล้วเชื่จะรองรับไหมพอได้มีคนมาแล้วเราทําแล้วเราจะไปลงที่ไหนงานขับเคลื่อนเกิดขึ้นและวันนี้เราต้องแต่งใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้รับใช้เป็นเวลา แต่เป็นนักบริหารกับตัวสทิรับานั่งจั n a g e เจี่เกิดขึ้ถ้าคุณไม่นก็เข้ามาใวนี้ก็สบายสบายเลยนี่คือสภาพที่จิตี่เป็นมาในไปูเกิดขึ้นที่นี่ทันเวผมจะสรแล้วก็พันะครับเพราะตอนนี้10โมงเ อยากให้ชี well ้เห็นจิงว่าพิจารต้องเกี่ยวข้องผู้รับใช้ทุกคนต้องเกี่ยวข้องสมาชิกทุกคนก็เกี่ยวข้องในเรื่องต่อไปนี้การเป็นผู้เรียนทการเป็นผู้เรียนไม่ได้เป็นงานของผู้รับใช้เป็นเวลาหรือคณะผู้ปกครองหรือธนาคารแต่การเป็นผู้เรียนเป็นเรื่องของทุกคนที่เป็นสาวกของพระอิศุขิตเมื่อคุณเป็นสาวกของพระอิศุขิตบรทบาทในหุคนก็คือการเป็นผู้เรียน นอกจากการเป็นผู้เลียงแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่อีกประการพวกเราท่หลายที่เป็นกิจกรรนะครับจะต้องมีส่วนมากๆเลยก็คือการเป็นผู้บริหารจัดการเมื่อเกิดวัตถุที่เป็นงานมันมันน้อยน้ต้องต้องมีการบริหารจัดการพวกเรามีกิจกรรมเรามีเป้าหมายเรามีอะไรตลางๆอย่างนั้วต้องมีสุขสอยชัดเจนมันต้องมีการจัดการเรามีการเงิน แล้วถ้าหากการเงินไม่มีาการบริหารจัดการให้ดีก็ใช้สเปรศัรเหมือนกันการลงทุนที่คุ้มที่สุดก็่ใตราาที่เรามีขึ้นแตการลงทุนที่คุ้มที่สุดือลงทุนกับชีวิตของคนนะมันต้องมีการอะไรแต่ละแล้อีกโซนหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของอีกระดับหนึงนะ้ครับจะเป็นคณะผู้ปกครองแล้วก็คณะผู้รับแจ้เวลาก็คือการเป็นผู้นต้องมีสามตัวปัจจขึ้นในขึ้จันะครับ พลังเขาเขาทขาเขาเาทำแบบี้มานนแล้วบอกว่าจะต้องมีพาร e ทเตอร์มีลีดเจอร์แล้วก็มีแมネเจอร์มาแมเนจบรหารจัดการอะไรบริหาจัดการเวลาสมาชิกทุกๆ7เจ็วันหนึ่งวันเป็นของพระเจ้าสมาชิกของเราทุกทุเจ็วันก็ให้วันเป็นของพระเจ้ารือเปล่าทุกๆ1กิบาทหบาทเป็นของพระเจ้าบริหจัดการเงินของสมาชิกทุกๆุกบาทกี่บาทเป็นของพระเจ้านะฮะ บริหารจัดการของของประธานความสามารถของสมาชิกยูเมเนชความสามารถของสมาชิกไหมแต่ละค น, นไปไหมเขาทำอะไรก็ใส่ช่างแอร์แล้วความความสามารถของเขาตรงนี้เอามาเป็นพรสาหรับคนในกี่จัดแพร่สาหรับแผยินงหลงระเจ้าแผ่นฮะบริจัดการนก ใ, กในาใการครูมีครูยแล้วก็มีส่วนในการช่วยกรหนักสูดเยนในโอ้า อ, อะไรในที่จัดมันมี education มีระบบ ก, การศึกษาดขึ้น ดูไหมเออเออการศึกษาที่เราพยายามเนี่ยั้นม <camp> <hand> ันนที่เดสกูเดสูป็นด็อกเตอร์ราวหลักสูตรพัฒนาพัฒนานช่วงนั้นาเป็นแต่มันลดตที่วจากคำาสันเดสู่นอรจริงต้องลองละเห็นมฮวันนี้เราแตะเรื่องที่เป็นตรงกลางเป็นหัวใจ และเรื่องนี้หลายทิศจักรไม่มีการอ่อรังในชุดมีการทำไอหอระยะเวลาเต่ะใจมีนะคแต่ว่าการประกาศมีไหมการนำมียามีไม่มีเดี๋ยวเราจะเรียนเลยว่าดอะไรขึ้นแต่ว่าทาไมมันไม่เป็นไปอย่างที่ครัวจะเป็นโอเคก็นั่งดูขาหลังก็ต้องรับผิดชอบนานนะฮะท่านจะเขมาช่วยแล้วดูช่วยยมีใครมาเรารับไปไหมที่ผมพูดทั้งหมดเนี่กคร่าวนะแต่ไม่ว่าต้องมีการเป็นอยาาศยาดีเลยนะฮะ ต้องมีอันมาเลยเฉไม่เป็นตั้รัแท้นละแตพวกในโรงเรียนก็ไปตามกไปสอน้คุณเลยก็สอนเป็นไงคุณเทศนาไปสอให้คุณอธิานได้สอให้คุณรู้ศาสนาศาสตร์คืออะไรทั้งหนะเราผู้บริหารครับมาช่วยกันโอเคไปปักพเท่าไรก็แ้วต่นะครับเดี๋ยวถ้าเาพรนะเราก็กลับไปกินครับเครับเข่งครับไปหาบาา That's it, yeah.